ตอนพบภูมิวันที่2สิงหาคม2558กาบนมัส ก, การพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีการะยะมิทุกนก็เช่นเดิมนะทุกๆวันอาทิตย์วันนี้ก็มีคำถามหนูขอถามพรอครู ว, ว่าเวลานั่งหมุน ฟังเสียงจากหูไปที่จิตฟังไปฟังไปเสียงที่ฟังเป็นบทสวดหนูฟังไปมันจะไปอยู่จิตจิตก็จะสวดตามซึ่งความจริงตามปกติหนูสวดไม่เป็นค่ะแล้วหนูจะต้องปฏิบัติต่อไปยังไงคะเพราะมัน ไม่ไปไหนสวดมนต์ตามตลอดมันเป็นอนุสัยเดิมเรานะมันเป็นจิตเดิมเราเคยสวดบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องพระไตรปิฎกเลยนะสวดปฏิโมกได้นะ mm hmm. ก็ปล่อยเขาทาไปช่วงหนึ่ง mm hmm. เขาฟื้นฟูอารมณ์ที่เขาเคยฝึกมาแล้วเนี่ยมาถ่ายเทให้จิตปัจจุบันนะแล้วก็สวดมนต์ทุกทุกเย็ น, ท, นทุกเช้านะบางลทัทธินี่การปฏิบัติเขาคือการสวดสวดทั้งวันทั้งคืน นะสวดเป็นการทำสมาธิเบื้องต้นจิตใจดจดจ่กับการสวดมันก็เป็นการฝึกจิตระดับสัมมาทฐานระดับหนึ่งก็ไม่ต้องไปกังวลทำไปสักคู่หนึ่งสักพักหนึ่งนะเมื่อเราชำนาญแล้วก็จะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ไปเองเนาะก็ดาเนินไปเรื่อยๆคนที่กลับไปปฏิบัติที่บ้านมีโอกาสเข้าถึงจิตหรือเปล่าคะคาตอบคือมนะีมันไม่เกี่ยวกับสถานที่หรือเวลา เป็นอาการลิโกไม่จงกัดการเวลาบางคนบอกว่ายุคนี้เหรอจะมีผู้บรรลุธรรมเหรอมันไม่เกี่ยวกับยุคไหนพรนะพุทธเจ้าตรัสไวยว่าตาบใดที่มีผู้คนอยู่ในมรรคในทางเนี่ยไม่ลาเวนพาลหาันการเบี่ยงถ้าไม่เร็วแต่สม่าเสมอจะเข้าถึงจิตได้หรือเปล่าคะได้นะทำไปเรื่อยเรา วิ่งช้าเราก็ไปช้านะถึงนะแต่เร็วหรือช้าก็อยู่ที่การดำเนินของเรานะสปีดของเราคำตอบคือได้เวลาเหี่ยงทำไมไม่สามารถเหี่ยงให้เร็วและแรงขึ้นได้ราคาผิดพลาดตรงไหนแรกๆถ้าเราลองดูเราต้องใส่เจตนาลองช่วยช่วยมันก่อนนะบางทีอนุสัยเราเนี่ยเป็นคนที่ว่าไปเรื่อยๆเหมือนรถขายอง เราก็ทำตามจิตเรานะถ้าเราลองลองลองเร่งเร่งดูซิถ้าเร่งแล้วมันไม่ไปก็ทำไปแค่ที่เราทำได้นะมีข้อข้องใจลบรวนถามค่ะช่วงเวียงพะครูสอนว่าให้เวียงเป็นวงกลมหรือวงดีแลี้ยตามมันไปแล้วได้ยินที่หูไปรู้ที่ใจ ปฏิบัติปฏิบัติตอนไหนเหรออันนี้ก็ต้องตอนบ่ายนะสมาธิเวียงนอกาที่เราเรียกสมาธิเวียงส่วนมากเราคุ้นเคยกับการเรียนดูวิชาการตามที่เขาบอกเราหรือตามตัวหนังสือพูดว่าอย่างนี้แล้วก็ไปทาตามมันนะจริงๆแล้วไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปอยู่ในรายละเอียดมากกระทําทำไปเถอะเดี๋ยวมันก็ไดนะ้เราติดทุกคำพูดนะ นี่คือความเคยชินเราการเรียนรู้ทุกวันนี้เรียนรู้ตามตัวหนังสือจะทราบได้หรือไม่จะทราบได้อย่างไรว่าปฏิบัติแล้วก้าวหน้าหรือถอยหลังปฏิบัติเถอะมันรู้ได้เฉพาะตนเป็นปัจจตังทีนี้คำว่าก้าวหน้าถอยหลังเนี่ยมันจะไปขัดแย้งกับความเคยชินเราถ้าทางโลกเราก้าวหน้าคือเราเรียนรู้วิชาการคือเรารู้มากขึ้น แต่ทางจิตก้าวหน้าแล้วเหมือนเราคนไม่รู้อะไรเลยมันน้อยลงทีนี้อยู่ดูว่าอารมณ์เราเป็นยังไงความก้าวหน้าหรือถอยหลังเนี่ยประเมินจากอารมณ์นะเนี่ยตัวเวทนาเราเป็นยังไงนะตัวธรรมลมเราเป็นยังไงนะเราสงบนิ่งลงไหมสติเราเร็วขึ้นหรือเปล่านะอันนี้อย่าไปสนใจมันเถอะ นะขอให้เดินทางไปเรื่อยๆนะที่พ่อ ก, กูบอกเราหลงป่าเราก็หาทางเดินออกจากป่าก็มีหน้าที่เดินไปเรื่อยๆมันจะถึงเมื่อไหร่ช่างมันทําไมจิตชอบคิดอกุศลเพราะจิตมันเป็นอกุศลนะมันเป็นอกุศลก็คิดตามโปรแกรมอกุศลเรามีหน้าที่รู้เท่าทันมันแล้วก็กลับใหม่อย่าไปคิดตามมันเท่านั้นเองนะไม่ต้องไปโทษตัวเองหรอกนะ สิ่งดีๆเราก็มีสิ่งที่เราพลาดพังทำอกุศลเราก็เยอะนะรู้ว่าเราคิดอกุศลนะเป็นวิปัสนาแล้วนะเราก็รู้รู้รู้รู้มไปเรื่อยๆต่อไปมันคิดเราก็รู้ว่ามันคิดอกุศลเราอย่าไปคิดตามมันนะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ชนะเองเนาะใครเป็นครูของพ่อครูคะนะพระพุทธเจ้า เพราะครูมีครูหลายคนนะตั้งแต่เรียนอนุบาลประถมมัธยมเรียนครูเยอะแยะและครูทางสังคมก็มีมาแม่งีมากมายคนจีนเขาบอกว่าซานหยวนถงสิงปี่เอียวอู่ซือคือสามคนเดินไปด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างเป็นครูบาจารย์ซึ่งกันและกันได้นะคนเรามีความชํานาญมีความรอบรู้ที่ต่างกันนะถ้าเรามีอัตราแล้วฉันต้อง ฉันต้องเรียนสูงฉันก็ต้องเป็นอาจารย์ทุกคนมีแต่สอนเขาไม่เคยฟังคนอื่นเลยนะทุกคนเป็นครูซึ่งกันและกันได้นะทีนี้เขาบอกว่าการฝึกจิตวิญญาณถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แล้วมันจะเป็นโน่นเป็นนี่นะคือพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ผ่านครูบาอาจารย์หลายคนหลายท่านนะแม้กระทั่งนางสุชาดาก็เป็นครูอาจารย์ คนหนึ่งของพระองค์นะเป็นครูบาาจารย์โดยไม่ได้ตั้งใจนะเป่นเป่งวาจาเพราะว่าท่านในท่านสแสวงหาโมฆะธรรมแสวงหาการไถ่าบาปโดยสุขภาพโทมแบบนี้เหรอเนี่ยคำนี้ผู้เจ้าตื่นขึ้นมาเข้าใจเรื่องทางสายกลางทุกคนเป็นครูบาาจารย์ซึ่งกันและกันได้พุทธผู้เจ้าบอกเองอย่าไปยึดมั่นอย่าไปอย่าเพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาาจารย์เรา เราเป็นนั่นที่ฟังฟังหูไวหูแล้วก็ปฏิบัติทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองครูบาอาจารย์เนี่ยเขาก็เอาประสบการณ์ของเขาชี้ทางให้เรานะทุกคนเดินเดินเองเดินแทนกันไม่ได้ไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนแม้แต่หนึ่งคนแม้กระทั่งรวมพระพุทธเจ้าด้วยนะสามารถทําให้เราพ้นทุก์ได้หมดแต่พระองค์ชี้ทางให้เราได้นะทุกคนเป็นไปตามกรรมนะบรารมีสร้างมาไม่เท่ากัน นะกรรมที่แบกมาก็ไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าเองยังไม่สามารถปลดปล่อยเทยวทัศกับอาชาติศัตนระูอันนี้ก็ให้เข้าใจในบทสวดมนต์บางท่านเวลาสวดต้องกราบเพราะอะไรเพราะเขากราบอย่าไปติดบ่วงเรื่องรูปแบบวิธีการนะเอาเป็นว่าอย่างพระอาจารย์ที่เบตไม่ใช่สวดเฉยเนะเดินด้วยสวดด้วยกราบ สามเก้าบที่หนึ่งสามเก้ากาบที่หนึ่งนะมันก็เป็นอุบายวิธีของแต่ละคนเราจะไปตกในละเอียดเอ๊ะอย่างนี้มันทั้งถูกอย่างนี้ทถึงผิดนะอันนี้เราชอบเรียนแบบนะมันเป็นอุบายวิธีเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของแต่ละคนนะก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อยู่กับตัวเองนะดูตัวเองนะอันนี้พ่อครกูก็ไม่เข้าใจไวยาคคืออะไรว่าในบทส่วนมนต์ บางท่อนเวลาสวดต้องกาบเพราะอะไรอ๋อบางท่อนไม่ใช่บางท่านนะบางท่อนมันก็เป็นอุบายวิธีนั่นแหละนะอุบายวิธีนะเพื่อให้เราจิตจดจอ่อแล้วก็ทำความเออขารบในเวลานั้นๆเหมือนเราเต้นรำนั่นแหละมาบางช่วงทำไมเต้นเร็วเต้นช้าต้องหมุนซ้ายหมุนขวามันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึง่งไม่ใช่เรื่องสำคัญนะ เป็นประเพณีวัฒนธรรมรูปแบบอย่างหนึ่งการที่วิ่งแสวงหาสิ่งใหม่ๆมีผลดีผลเสียอย่างไรวิทยาศาสตร์สอนให้แสวงหาสิ่งใหม่ๆจึงจะเป็นการพัฒนาแต่ในทางจิตวิญญาณนะการแสวงหาสิ่งใหม่ๆเนี่ยจะพบแต่สิ่งเก่าๆนะการสนอง ความอยากรู้อยากเห็นตามอุปนิสัยเดิมๆซึ่งเป็นของเก่าๆซึ่งเป็นกิเลสความเคยชินเป็นการบ่มเพาะทำให้กิเลสมีกำลังมากขึ้นฟังดีๆนะการสแสวงหาสิ่งใหม่ๆเนี่ยเพราะเรามีความอยากรู้อยากเห็นและตัวอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเป็นของเก่าๆของเรา เราก็สนองของเก่าๆของเราเพื่อจะสแสวงหาสิ่งใหม่ๆเมื่อเราไปเจอสิ่งใหม่ๆที่เราบอกว่ามันใหม่แล้วเนี่ยนะหลวงปู่ดุลพูดเรื่องนี้เนี่ยการไปหลายสำนักมันเป็นการเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่หมดพอเราเราฝึกวิธีนี้เราก็ไปแสวงหาวิธีอื่นมันเหมือนใหม่สำหรับเราแต่มันเก่ามันมีมาตั้งนานแล้วแม้กระทั่งเราค้นคว้าวิทยาศาสตร์ค้นคว้าบางอย่างของธรรมชาติ มันใหม่สำหรับเราแต่จริงๆแล้วมันเก่ามาตั้งหลายล้านชาติแล้วเราก็องถ้าเราสอนองอารมณ์ตัวอยากรู้อยากเห็นนี่มันก็ความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเหมือนเราอาหารให้มันกินมันก็อยากรู้อยากเห็นไปเรื่อยๆแล้วก็สแสวงหาไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็สิ่งที่เราพบปุ๊บเป็นของเก่าทั้งนั้นทีนี้กลับกันในทางฝึกจิตเราเนี่ยถ้าเราอยู่กับปฏิบัติกับ เก่าๆเหมือนเช้าสายบ่ายเย็นเช้าสายบ่ายเย็นของเราเนี่ยนะเหมือนจำเจซ้ำซากเราก็อยู่ที่สิ่งเก่าๆเราจะเห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดสิ่งใหม่ๆในนี้เริ่มจากว่าอารมณ์ต่างๆที่เราไม่เคยพบเคยเจอมันจะเกิดขึ้นจริงๆและอารมณ์ใหม่ๆนี้เราเคยเกิดมาหลายชาติแต่เราลืมสิ่งใหม่อย่างเดียวเท่านั้นที่พวกเราไม่เคยเจอก็คือนิพพานเหมือนเราทําอะไรก็ช่างต้องทําบ่อยๆ สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับเราคืออะไรความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราทางอารมณ์ทางสติปัญญานะนี่คือสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นกับเรากิเลสมันชอบไม่ช อ, มชอบก็ช่่งเหมือนเราฝืนมันเราทำในสิ่งที่กิเลสไม่ชอบอะทำบ่อยๆทำบ่อยๆและสิ่งใหม่มันเกิดขึ้นคือต่อไปนี้เนี่ยถ้าเรายังมีความคิดอยู่ความคิดเราก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วก็สิ่งใหม่คือกิเลสมันก็หลอกเราไม่ได้ เราจะเจอสิ่งใหม่ๆเมื่อเราเจอสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ตลอดเวลาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีความอยากรู้ไม่อยากสแสวงหาอะไรเลยเพราะสิ่งใหม่ๆที่เราเจอมันอยู่ข้างในจิตเนี่ยนะมันจะเกิดปัญญาอย่างยิ่งทําให้เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงนะเห็นความมันเกิดดับเกิดดับ ทุกวันนี้เราเห็นแต่เราไม่เห็นไงชีวิตเรามั่วจะวิ่งหาสแสวงสิ่งใหม่ๆแล้วก็ไปเจอสิ่งใหม่ๆที่มันไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่นะแม้กระทั่งปฏิบัติธรรมไปสแวนวนสแวงนู่นแสวงนี่เราก็ไปเจอไอ้สิ่งแวดล้อมแปลกๆใหม่ๆแต่สิ่งที่เราเจอนั้นมันเป็นของเก่าแล้วแต่มันใหม่สําหรับกิเลสเรากิเลสมันก็ชอบเหมือนเราเอาอาหารให้มันกินมันก็จะสแสวงหาเรื่อยไปสนองตัญหามัน นะเราคือเราจะเจอสิ่งใหม่จริงๆแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งเก่าๆมันไม่ได้ใหม่อะไรเลยสิ่งใหม่ตอนนี้อย่างเดียวของเราที่ไม่เคยเจอมานะคือนิพพานเราไม่เคยอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งใหม่ของเราไม่เคยนอกนั้นเราผ่านมาหมดแล้วหลายชาติแต่มันทำให้เราลืมทีนี้เรามาย้ำทำเนี่ยเหมือนเราปฏิบัติทุกวันทุกวันแต่เรื่องเก่าๆน่าเบื่อมากน่าเบื่อมาก ในน้นเราเห็นความเบื่อของเรานะเห็นไอ้ตัวเก่าๆของเราว่าเออเราเป็นคนขี้เบื่อนะแต่เราสแสวงหาสิ่งใหม่ๆนี่เราไม่เห็นนะเรารู้แต่ว่าเราไปเจอสิ่งใหม่ๆปุ๊บมันเอกไซมันตื่นเต้นมีความสุขเราสนองกิเลสเราตลอดนะเราคิดว่าเป็นสิ่งใหม่จริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นมันไม่ได้ใหม่มันเก่าวิธีโน่นวิธีนี่นะ เหมือนว่าเราจะมีความลังเลสงสัยกำลังยังไม่หยุดสแสวงหาทั้งๆ ท, ที่เราเจอทางแล้วเราไม่รีบเดินทางกิเลมันบอกว่าไปสแสวงหาสิ่งใหม่ๆนั่นคือการพัฒนามันกลับกันนะในทางทำเราเนี่ยเราทำเรื่องเก่าๆทำบ่อยๆแล้วเราจะเห็นสิ่งใหม่ๆเมื่อเราเห็นสิ่งใหม่ๆบ่อยๆแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สแสวงหาอีกเพราะสิ่งใหม่ๆนั้นะ มันจะทําให้เราเห็นเรื่องอันิีจังทุกขังอนาตาความไม่เที่ยงแต่เราไปแสวงหาสิ่งใหม่ๆเราหนีความจริงตลอดวิ่งไปหาสิ่งสมมุตินะแล้วก็สะใจแล้วก็ดีใจภาคภูมิใจว่าเราได้เจอสิ่งใหม่ๆจริงๆแล้วสิ่งใหม่ๆที่เราเจอเป็นเรื่องเก่าๆแล้วเราก็สนองสิ่งเก่าๆของเราคืออุปนิสัยที่อยากรู้อยากเห็นมันไม่มีอะไรใหม่ ทำเรื่องจำเจซ้าซากมาหลายชาติละมันกลับกันนะเราฝึกวิธีไหนก็ช่างอุบายแบบไหนก็ช่างเทคนิคแบบไหนก็ช่างพวกะูพูดตลอดเวลาว่าวิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทําไม่ดีคนทําดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายในการทําไม่ดีเป้าหมายเราแวสแวงหาสิ่งใหม่ๆเพราะเราอยากรู้อยากเห็น แสดงว่าเราไม่ได้อยากพ้นทุกข์หรอกเราอยากรู้อยากเห็นอยากกวดว่าเราเป็นผู้รู้มากนะเป้าหมายถ้ามันไม่มันผิดแล้วก็ขยันจนตายขยันแบบโง่ๆคำว่าไม่สาเร็จก็คือว่าไม่สาเร็จเราไม่มีวันจะหยุดเพราะเราไม่หยุดแสวงหาจนเดี้ยงเลยฉันก็แสวงหาต่อค้นคว้าต่อเพราะฉันอยากรู้อยากเห็นนะแต่การฝึกจิตมันกลับกัน ทำเรื่องเก่าๆมันเบื่อก็ทำมันไม่เบื่อก็ทำมันขี้เกียจก็ทำนะเราจะเห็นตัวเราชัดขึ้นว่าเรามีตัวอยากอะไรและอารมณ์ที่เราไปเห็นข้างในนั่นผู้เจ้าบอกต้องมีสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมแต่เราไปหาสิ่งใหม่ๆนอกกายเราจะเจอสิ่งเก่าๆทั้งนั้นแหละ นอกกายไม่มีสิ่งใหม่เลยนิพานไม่ได้อยู่ที่อินเดียหรือภูเขาหิมาลายมันอยู่ข้างในดูแค่กายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละก็อยู่กับกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมทุกๆวันแล้วเราจะเห็นสิ่งใหม่ๆมันผุดขึ้นมาอารมณ์ใหม่ๆมันเกิดขึ้นมาที่ชาตินี้เราไม่เคยเจอมาเลยแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งเก่าแล้วล่ะแต่ว่าบังเอิญชาตินี้เราไม่ต้องเจอไม่ต้องไปแสแวงหาของนอกกายของนอกกายนั้น มันไม่ใช่ความจริงนะไม่มีสิ่งใหม่มันเป็นสิ่งเก่าๆมันกลับกันนะเนี่ยทำไมโอ้เบื่อปุ๊บฉันก็ไปเที่ยวเบื่อปุ๊บฉันก็ไปสแสวงหานะไปสแสวงหาความสดุกสนานความรู้ใหม่ๆฟังแล้วชื่นใจแต่ก็ไม่ยอมปฏิบัติเลยจริงๆแล้วเนี่ย ใบไม้กับมือเดียวพุทธเจ้าจับมาสักใบหนึ่งเนี่ยทามันจริงๆทําทำซ้ำทาซ้าทาซ้าทาซ้าเราก็จะเกิดความชำนาญความชำนาญ น, นั้นคือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นจากเราโดยตรงเกิดจากความชำนาญ น, นี่คือปัญญาอย่างยิ่งเราไปสแสวงหาไปไปวิ่งไปดูสิ่งใหม่ๆไปฟังเขาพูดนะไปเห็นสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเอออันนั้นเป็นแค่องความรู้ที่ของคนอื่นนะมันไม่ใช่ ประสบการณ์จริงเกิดจากที่เราทำเนะี่ยสิ่งใหม่เกิดขึ้นคือเราประสบการณ์เยอะขึ้นอินทรีย์ภาระเรามากขึ้นอันนี้เราเบื่อตรงนี้ปุ๊บเราก็วิ่งไปตรงนั้นตรงนี้เราไม่เคยสร้างศรัทธากับสิ่งที่เราทําเลยอินทรีย์ภาระเราไม่ก้าวหน้าเหมือนคนนับหนึ่งใหม่ตลอดถ้าในทางจิตวิญญาณน่ยถือว่าล้มเหลวเพราะเรามีความทยานอยากเยอะเราขี้เบือ่อขี้ลังเลสงสัย ไม่เคยตั้งมั่นศรัทธาตั้งมั่นกับสิ่งที่เราดำเนิ น, นก็อยู่ในฐานสีนี้ท่านเองส่วนเทคนิคอุบายวิธีเบื้องต้นวิธีนั้นวิธีนี้จเจริญสติจเจริญปัญญาเพียงแค่สร้างกำลังให้เข้าเข้าไปในจิตได้แค่นั้นเองตอนนี้พวกเราเข้าไปในจิตในจิตได้แล้วเราก็ไปสู่กระแสมากแล้วทาไมไม่เดินวิ่งไปหาของนอกกายนะนี่พานไม่ได้อยู่ที่อินเดียหรือภูเขาหิมาลัย เขาอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วนะกิเลสเรามันหลอกมันอ้างโน่นอ้างนี่เนี่ยอริยบทกั้นบังทุกขงังเราเบื่อที่นี่แล้วก็หนีไปที่อื่นเปลี่ยนอริยบทใหม่เราหนีทุกตลอดเราจึงไม่เห็นทุกเราจึงไม่เห็นธรรมเบื่อฉันก็อยู่เบื่อฉันก็ปฏิบัตินะทำมันทุกวันทำมันทุกๆนาทีเดี๋ยวความสดใหม่มันจะเกิดขึนความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึนในตัวเรา ที่ผ่านมาเราวิ่งไปดูนูนู่นเป็นแค่คนอวดรู้คนรู้มากนะไปสนองกิเลสตัณหาเราเนี่ยเราทำแต่เรื่องเก่าๆแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆไม่มีอะไรใหม่เก่าหมดจำไว้ว่านะสิ่งใหม่ที่สุดของเราอย่างเดียวเท่านั้นที่เราไม่เคยไปเจอมันคือนิพพานและนิพพานมันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมเราตรงนี้แหละอยู่ในใช้ฐานทั้งสี่นี้เข้าไป พุทธจิตเขารอเราอยู่แล้วตอนนี้เราแสวงหาข้างนอกถ้าเราเจอเราทำเรื่องเก่าๆแล้วจะเจอสิ่งใหม่ๆไม่ว่าอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายเออเสียใจตกใจกลัวอะไรก็ช่างนั่นแหละนะเราเห็นอารมณ์นันบ่อยๆเห็นความเกิดดับเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันบ่อยๆแล้วจะเกิดปัญญาใหม่จิตปัจจุบันเกิดปัญญาใหม่โอ้เราอุตสาหหลงไปตั้งนาน เชื่อกิเลสมันบอกเบื่อก็ไปเที่ยวนะเบื่อก็ไปเที่ยวอยากรู้ก็ไปสแสวงหาความรู้นะไปเรียนความรู้ของคนอื่นมันไม่ใช่ตัวปัญญานะแต่ถ้าเราทําเรื่องเก่าๆมันจะพบสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงทุกวันอารมณ์ต่างๆมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็สุดท้ายเราก็เห็นความจริงแล้วว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มันไม่เที่ยงจริงๆ จ, จิตก็จางคายความยึดมั่นทั้งมันทั้งหมดนั่นแหละคำว่าสำเร็จคือจิตไม่ต้องสแสวงหาอีกต่อไปแต่ถ้าเรามีความคิดว่าจะสแสวงหาไปเรื่อยเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความพัฒนาเราลืมไปว่าเราเสแสวงหามาหลายชาติแล้วเราจะทำเรื่องเก่าๆ เ, เราจะไม่เจอสิ่งใหม่ๆนะมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นเส้นผมบางภูเขานะ ก็อันนี้ก็มีคำถามนะแต่มันเกี่ยวเนื่องกับวิชาการด้วยก็ทุกภูมิเริ่มที่ขั้นใดเจ้าคะภูมินรกรับผลกรรมอย่างไรคะหรือเกิดเป็นกายอยาบในภูมินรกเพื่อรับวิบากกรรมก็ในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะ เขาแบ่งโลกนี่กลายเป็นสามโลกเป็นโลกทั้งสามนะคือหนึ่งโลกนรกสองโลกมนุษย์สามโลกสวรรค์ที่ว่ามนุษย์นรกสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินะแต่ละโลกยังแบ่งออกอีกหลายภพหลายภูมิ แล้วแต่ขั้นของจิตใจของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ในเชิงวิชาการอันนี้เราหมายถึงว่าโลกสวรรค์โลกนรกหลังความตายจริงๆแล้วผู้เจ้าสอนปัจจุบันที่พระครูบอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพานอยู่ในจิตเราเนี่ยนะอยากไปนรกทำตัวเองทุกข์เยอะๆอยากไปสวรรค์ทำให้ตัวเองสุขเยอะๆ อยากไปนิพพานทำให้ตัวเองไม่สุขไม่ทุกข์นะคือไม่ใช่เราไม่รู้สุขรู้ทุกข์แต่เราไม่ไปติดมันเพียะแต่ว่าไอ้ตัวนี้คำถามตัวนี้มันหมายถึงโลกหลังความตายของเรานะทีนี้ทางวิชาการทางาศาสนาก็ก็พูดชัดเจนนะก็เริ่มจากโลกนรกแบ่งออก อีกเป็นสี่โลกด้วยกันได้แก่ไม่เป็นไรนะคำถามนี้ก็ดีบางทีเราเรารู้ว่าเอ๊ะผิดศีลนนะ่ะทบาปนะนรกสวรรค์มนุษย์เราก็ฟังบ่อยๆแต่ว่าเราเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะเขาก็เรียงลำดับเราเป็นอย่างนี้นะก็ฟังก็เป็นความรู้ประดับตัวเฉยๆอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะโลกนรกแบ่งออกเป็นสีโลกด้วยกันได้แก่หนึ่งโลกนรก ได้แก่ที่อยู่ของสัตว์ที่ตายไปแล้วสเสวยแต่ผลกรรมชั่วของตนถ่ายเดียวโดยไม่มีความสุขเลยส่วนมากทนทุกข์ทรมานด้วยความร้อนอันเกิดแต่โทสะในขณะเป็นมนุษย์ถ้าเรามีโทรสระจิตโทสะจริตบ่อยๆนะอะไรก็โกรธอะไรก็โกรธเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งมีทิฏฐิมานะอันนี้แหละตายแล้วไปสู่ โรคนรกแล้วก็ข้อสองโลกเปรตโลกเปรตได้แก่ที่อยู่ของสัตว์ผู้ตายไปแล้วสเสวยแต่ความทุกข์ไม่มีสถานที่อยู่โดยเฉพาะทรมานด้วยความอดอาหารอันเนื่องมาแต่กรรมที่ประกอบด้วยโลภะตอนที่เราเป็นมนุษย์เรามีความโลภ บ, บ่อยๆโลภจนโกหกเขาโลภจนไปโกงเขาโลภจน ตัวเองไม่หลับไม่นอนทรมานตัวเองนะโลภะในเมื่อมีชีวิตอยู่สัตว์ในโลกเปรตนี้มีรูปร่างพิคนพิการน่ากลัวน่ากเกลียดมาก 3. โลกอสุรกายเป็นโลกที่ไม่มีความสนุกสนานสัตว์จำพวกนี้มีรูปร่างน่ากเกลียดน่ากลัวในโลกอสุรกายนี้มีแต่สัตว์ผู้ประกอบ กรรมอันเนื่องจากโลภะเช่นเดียวกันนะเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ข้อที่สี่โลกเดลฉานเดลฉานเนี่ยนะคือที่อยู่อาศัยของสัตว์ขั้นต่ำทั่วไปแบ่งออกเป็นสี่ประเภทคือเป็นภาษาบาลีนะหนึ่งอปะทะติลฉานเป็นสัตว์ประเภท ไม่มีเท้าไม่มีขาได้แก่สัตว์เลื้อยคานเช่นงูไส้เดือนปลาบางชนิดสองทวีปะทะติลัชานได้แก่สัตว์ประเภทสองขาเช่นนกไก่เป็ดมันมีเหตุ <c oughs> ที่พระคุณถามว่าทำไม ง, งูไม่มีขาอะไรเนี่ยมันม ไ, มไม่ได้เกิดขึ้นโดยลอยมันมีเหตุของมันอยู่นะทีนี้ข้อสามจตุปะทธิรัชานได้แก่สัตว์ประเภทมีสี่ขาเช่นช้างมา้าเสือวัวควายกระต่ายสุนัขแมวเป็นต้น 4. ี่พหุปะทัติรัชานได้แก่สัตว์ประเภทมีมากกว่าสี่ขา เช่นตะขาบตะเข็บกิ้งกือเป็นต้นศาสนาพุทธตอบได้คือที่มาที่ไปของมันแต่บังเอิญวิทยาศาสตร์เนี่เราไปวิจัยข้ามพบข้ามชาติไม่ได้เราไม่เห็นที่มาของมันอย่างมากที่สุดเราวิจัยแค่ DNA มันเป็นยังไงนะมันประจบอยู่ที่ลูกประธรรมากายภาพทีนี้ทางศาสนาเขาพูดชัดเจนเลยว่าที่มาที่ไปของมันคืออย่างไร ในโลกเดรัจฉานมีความเป็นอยู่ดังสัตว์ทั้งหลายที่เห็นในปัจจุบันนี้ซึ่งไม่เหมือนกับสัตว์ในโลกนระกโลกเปรตหรือโลกอสุรลกายอันเป็นโลกที่ไม่มีกายปรากฏให้เห็นมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้จำพวกสัตว์เดรัจฉานนี้เกิดจากอำนาจกรรมเมื่อครั้งเป็นมนุษย์อันมีโมหะแหลงกล้า นะมนุษย์ทั่วไปมองไม่เห็นเหมือนทุกวันนี้มันกล้องสามมิติเราเนี่ยฟิกเซลมันทีบางทีเราถ่ายปุ๊บเราก็เห็นอีกมิติหนึ่งทีนี้คนที่เขามีญาณเขาฝึกญาณมากๆบางทีจิตเราตกตามเราเห็นผีนั่นแหละนะจริงๆแล้วกายภาพไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าไอ้จิตดวงนั้นอะ ลังสีมันออกมาเป็นรูปรูปรูปเหมือนเหมือนรูปร่างแต่ไม่ใช่รูปประทัมที่ตาเนื้อเรามองเห็นนะไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานเกิดมาปุ๊บมีรูปร่างหน้าตาเลยทีนี้โลกมนุษย์อันนี้สำคัญมากนะเนื่องจากมีคำถามนี้พรากกูก็ไปเปิดดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาเรียงลำดับยังไงนะพวกเราเนื่องจากเป็นมนุษย์ก็ต้องฟังนะโลกมนุษย์คือโลกของคนเรา อาศัยอยู่มนุษย์คือผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญและความสามารถในการประกอบกรรมต่างๆทั้งทางกุศลและก็อกุศลดังนั้นมนุษย์จึงจัดเป็นสี่ประเภทตามผลแห่งกรรมได้แก่หนึ่งมนุษย์นรกได้แก่นักโทษผู้ถูกจองจําหมดอิสระภาพทนทุกทรมานอันเนื่องจากอากุศ ล, ลกรรม ในทางโทสะมากๆสองมนุษย์เปรตคือมนุษย์ที่มีความเป็นอยู่อย่างลำบากยากแค้นยากจนและมากไปด้วยความทุกข์นานาประการได้แก่จำพวกคนขอทานอยู่อย่างไร้ความหมายในชีวิตอดอดอยากๆยากอันเกิดจากอากุศลกรรมทางโลภะมากๆ 3. ม, มนุษย์เดรัจฉานเป็นมนุษย์ที่ต้องอาศัยผู้อื่นมีความเป็นอยู่คล้ายสัตว์สุดแล้วแต่ใครเขาจะให้ทำอะไรเป็นทาสเขาตลอดชีวิตอันเนื่องจากอกุศ ล, ลกรรมทางโมหะมากๆนะคือความหลงข้อที่สมนุษย์พูดเป็นมนุษย์ที่รู้จักบาปบุญคุณโทษ มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์มีคุณธรรมประจำใจพยายามบำเพ็ญเพียรกุศลเพิ่มบารมีอยู่เสมอเมื่อกี้นี้พระครูบอกมนุษย์แบ่งเป็นสี่ชนิดในสี่อย่างสามอย่างนี้เป็นทุกขกติหมดมีอย่างเดียวเท่านั้นหนึ่งในสี่เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ก็อันตรายนะ คือเราทำความดีได้ทำความชั่วได้ไม่ใช่เกิดเป็นมนุษย์ปุ๊บคิดว่าเราลอดแล้วนะทีนี้เอกกรรมที่เราสร้างมามันก็ต้องเนี่ยมีสี่ข้อในสามข้อแรกเนี่ยเพราะคำถามว่าครูว่าทุกขติเนี่ยทุกขภูมิเนี่ยมันนับจากอะไรเอาเป็นว่านรลกเนี่ยทุกหมดแต่เป็นมนุษย์ปุ๊บเนี่ยสมอย่างเนี่ยถือว่าเป็นทุกขติ อีกอย่างหนึ่งถือว่าเป็นสุคติแล้วก็เทวดามันต้องพูดถึงสวรรค์นะถึงว่าอย่าประมาทแต่ทีนี้บางทีเราเกิดมาปุ๊บเราก็รับทุกขตินั่นก่อนบางทีเผลอไปทำกรรมชั่วอย่างองคุลีมานเห็นไหมมันไม่ใช่สูตสำเร็จว่าเออเธอทุกเธอ ก, กทุกไปตลอดชาติเลยไม่ใช่นะเธอทำชั่วก็ชั่วตลอดทีนี้ไอ้ฝ่ายดีที่เราสร้างมาในอดีตมันก็มีเห็นไหม อยู่ที่ว่าอย่างองค์คุลิมาเนี่ยบังเอิญว่าบุญกุศล ม, มาได้มาพบพบูมิาจาระจะฆ่าพระองค์ด้วยจะเอานิ้วไปเพิ่มนะนั่นแหละบุญกุศลให้มาพบนะพระองค์ก็เทศให้องค์คุลิมาตื่นนะแล้วก็บรรลุทำได้เอาเป็นว่าเรามีสองด้านตลอดแต่พระครูสนใจว่าอย่างเขาแยกมนุษย์เนี่ยเป็นสี่ สี่ส่วนสมส่วนนั้นน่ะก็คือทุกขติละแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นปุ๊บเราหลุดออกจากตรงนั้นไม่ได้นะถ้าถ้าปัจจุบันนี้เราสร้างกุศลเพิ่มกุศลเก่าบวกกุศลใหม่มันคือผลแต่ถ้ากรรมเก่ามันส่งมาให้เรามีทุกขติแล้วเนี่ยเราไปสร้างกรรมใหม่เพิ่มทีนี้ก็เป็นไปตามกระแสะกรรมอยู่ที่ว่ากระแสะบุญกระแสะกรรมตัวไหนจะส่งผลมากกว่ามันพลิกได้ตลอดเวลา พิคได้ตลอดเวลาก็ส่วนสวรรค์สมบัติเขาไม่ได้ถามว่าสุคติคืออะไรนะไม่ถามเรื่องทุกภูมิส่วนโลกสวรรค์นั้นพระภููิคข้าเข้าคือที่อยู่ของผู้ประกอบกรรมดีไว้น้อยหรือมากเป็นกรรมดีทั้งนั้นน่ะน้อยหรือมากตามลาดับขั้นของจิตใจซึ่งจัดไว้สามขั้นคือขั้นต่ําได้แก่ขั้นกามาวจรภูมิขั้นกลางได้แก่ ลูประพรมภูมินะขั้นสูงได้แก่อรูปประพรมภูมิกามาวจรเนี่ยภูมิแบ่งเป็นหกภูมินะเนี่ไม่พูดรายละเอียดนะส่วนรูกประพรมภูมิเนี่ยหรือลูปาวจรภูมิเนี่ยแบ่งเป็นสิกภูมิอรูปประพรมภูมิเนี่ยแบ่งเป็นสี่ภูมิไอ้คําว่าภูมินี่คือ อุณหภูมิเลเวอุณหภูมิของความรู้สึกสุขเรื่องนี้พรอ ค, ครูเคยพูดไปแล้วนะโดยเฉพาะสวรรค์นเนี่ยแล้วก็นรกพวกนี้น่ยไม่มีร่างไม่ใช่จับไปต้มหรือขึ้นต้นยิ้วอะไรพวกนี้นะนะเพีแต่ว่าเขาสะท้อนให้เห็นความรู้สึกทุกข์เหมือนถูกต้มเหมือนขึ้นต้นยิว้วส่วนสวรรค์พวกเทวดาสั่งนะเขาสะท้อนให้เห็นความ รู้สุขความสุขนั้นก็แบ่งเป็นหลายระดับนะสุดท้ายเป็นพรมก็ช่างเมื่อเสพกรรมดีนั้นแล้วก็ต้องมาเกิดอีกนะเอาเป็นว่าสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติเนี่ยยังอยู่ในวัฏฏะสงสารอย่าประมาทถึงจะได้เกิดมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็ช่างเห็นไหมและมนุษย์บางทีเขาไม่รู้เรื่องนิพานเลยเขาเกิดมาเขา ก็ชาวป่าก็เป็นเหมือนทาสานไปใช้หนี้กรรมก็กําไรไปชาตินึงนะไม่รู้อีกกี่แสนกลับนั่นแหละนะบางคนเกิดมาก็ไปสร้างกรรมใหม่อีกนะก็ตายแล้วก็ปเปตเปตเปตอสุลกายอีกตอนนี้เนี่ยไม่ต้องรอชาติหน้านะที่พ่อครูบอกว่าสามภพภูมิเนี่ยมันทะลุ ก, กันหมดแล้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ในจิตเปตอสุล ก, กายก็อยู่ในร่างเรา นะเทวดาก็อยู่ในร่างเรานะไม่ใช่สามโลกธาตุนี่นะนิพพานสมบัติก็อยู่ในร่างเรานั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะมุ่งมั่นเอาแบบไหนนะก็สิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่อย่างเดียวที่เราไม่เคยเจอก็คือนิพพานแล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่ไม่ต้องกายพันอีก มนุษย์เราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดมาจากกายพันธุ์และสิ่งที่ทำให้เราด n เเ อ, อ่มันเหมือนกันแต่อารมณ์ไม่เหมือนกันทุกอย่างก็คือมันมีสิ่งที่มันอยู่ใต้ด n a นั้นนะมันบันทึกโปรแก ร, รมกรรมไว้จะตุปาตยานยานรู้ว่าในการเกิดพรกรรมตายพรกรรมคาตอบคือเรากายพันธุ์มาจากกรรมที่เราสร้างพอเราตายปุ๊บ นะมันบวกลบคูณหารปุ๊บจะกลายล่างไปเป็นเป็เปดอสูรเลือกายหรือเป็นสัตว์นรกหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็อยู่ที่โปรแกรมกรรมที่เราทำผู้เจ้าฟันธงชัดเจนนะก็มนุษย์เราเกิดมาจากกายพันธุ์และสิ่งที่ทำให้เรากายพันธุ์ไปเป็นอะไรนั้นอยู่ที่กระแสะกรรมทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบอันนี้อันนี้แฝที่สุด คุณทำอย่างไรคุณก็เป็นอย่างนั้นเราทาสีขาวมันแห้งแล้วจะเป็นสีแดงไม่ได้เราหลอกคนอื่นได้เราวางฟอร์มเราอะไรเราเก่งอย่างไงชั้นเราหลอกจิตเราไม่ได้เราคิดชั่วปุ๊บมันบันทึกชั่วนะเราโกรธปุ๊บเรากดไว้ไม่ให้คนอื่นรู้แต่เราหลอกจิตไม่ได้จิตมันโกรธแล้วนะอันนี้อันตรายมากนะผู้เจ้าบอกอย่าประมาทนะมันละเอียดอ่อนมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไร ไม่ใช่ความลับอะไรมันตรงไปตรงมาแต่มันละเอียดอด่อนนะก็คำถามวันนี้ก็มีมีแค่นี้นะที่นี้สงวันนี้พ่อครกูก็ได้เห็นอะไรข่าวสารอะไรบ้างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีชาวเผ่าโรอินยาที่หนีมาจากประเทศข้างเคียงอะไรเนี่ยนะลอยแพอยู่ในทะเล ทุกประเทศลังเกียจขยะขยงทีนี้คนโบราณสมัยพ่อคูณเนี่ยเขาก็ร้องเพลงคนกับควายอะไรเนี่ยนะทีนี้เรามาคุยกันนะระหว่างคนกับควายอันไหนมีค่ากว่ากันถ้าเรือลหลายลำที่มันลอยอยู่ทะเลมันเปลี่ยนจากมนุษย์เผาพันโลอินยากลายเป็นควายนะ หลายประเทศเนี่ยอ้าแขนรับบอกแวะมาที่นี่หน่อยฉันต้องการควายฉันไม่ต้องการคนเห็นไหมมนุษย์เราทุกวันนี้พัฒนาจนขนาดนี้ควายมีค่ากว่าคนเพราะอะไรเพราะมีความโลภเรามีความโลภควายมากินได้ใช่ไหมเอามาขายได้ใช่ไหมเห็นไหมหนไห ม, มนุษย์ชื่อว่าเผ่าพันธุ์โลยิน ญ, ญาเนี่ย ทุกคนไม่ยอมรับขยะขยงมันสะท้อนให้เห็นถึงมนุษย์ผู้ประเสริฐเราไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วกลายเป็นนักต่อสู้นักหาเงินนักสร้างอนาคตความเป็นมนุษยธรรมไม่มีแล้วเห็นไหมเพราะครูก็ไม่รู้ว่าคนสมัยก่อนภาษาไทยเราเนี่ยใช้คำว่าคอคน มันเปลี่ยนมาเป็นคอควายเมื่อไหร่พระครูก็ไม่รู้คนผสมกันระหว่างควายกับหนูจริงๆแล้วระหว่างควายกับคนเนี่ยถ้าเราไปดูพฤติกรรมจริงๆนะควายเขาไม่ตะการนะเขาไม่คิดวางแผนที่จะทำลายโลกนะเขากินเจด้วยเขากินหญ้าอย่างเดียวในตัวเขาก็อ้วนขอให้มีหญ้ากินเขาเปลี่ยนหญ้ากลายเป็นเนื้อแล้วก็เลี้ยงมนุษย์ เห็นไนานๆครั้งจะเห็นควายโมโหสักทีหนึ่งนะไปทาที่นี่หมู่บ้านเรามีนะเขาเตะเจ้าของควายทีมเลี้ยงมันเตะมันตายเลยนะเอาขาหลังตเตะอะไรนะนะอันนั้นหนึ่งในล้านนะมันอาจจะไปเจอคือจิตวิญญาณมันรู้นะนะเจ้าของคนนั้นก็แบบโหดร้ายฆ่าคนอะไรพวกนี้นะ โดยสัญชาตญาณของควายเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่หิวก็กินง่วงก็นอนสวนเขาไถานาเขาก็ไถให้เราเขาไม่ได้มากเรื่องแต่คนมากเรื่องสิ่งที่มากเรื่องก็คือคนคนเงินวุ่นไปหมดเลยที่ติมานะเยอะยิ่งรู้มากก็ยิ่งอวดเก่งสร้างอัตราเยอะทําอะไรติดถูกติดผิด ของมึงของกูนะอันนี้เมื่อกี้พมอกูอ่านให้ฟังแล้วนะถ้าเราเป็นแบบนี้เนี่ยสาหรับพ่อกูไม่ต้องรอตายแล้วไปเป็นเปรตอสุรุกายนะพ่อกูเห็นเดี๋ยวนี้เลยว่าในจิตคุณเป็นอะไรตอนนี้นเนี่ยสวรรค์อยู่ในอกเรานรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ตรงนี้แหละไม่เป็นบ้าก็ไปกินยาให้มันบ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ ข, ข่มขืนยายอย่างนี้นะ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่มนุษย์นะนี่คือเปตอศุลกายเห็นหมละ่ะมันอยู่ข้างในนี้ยุคนี้มันเกิดอะไรขึ้นความทยานอยากกลายเป็นความโหดลายความต้องการเอาแพ้อชนะกันเนี่ยความมีเมตตาก็ไม่มีอ้างโน่นอ้างนี่นะทิฏฐิมานะแล้วก็สร้างกรรมไม่หยุดไม่ย่อนทำดีก็ต้องมีเงื่อนไข นะมันกลายเป็นมนุษย์พันใหม่เห็นไหมเรากลายพันแล้ะเรากลายพันแล้วนี่นะเรากลายพันทุกวันอยู่ที่ว่าตอนนี้เราใส่โปรแก ร, รมอะไรไปเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นใช่แต่ถ้าเราฟังพระที่เจ้าเนี่ยพระเจ้าสอนวิธีหยุดกลายพันนะคือถอยกลับไปล้างไอ้เชื้อที่ทำจะให้เรากลายพันออกไป สภาวะนิพพานเป็นสภาวะเดียวเท่านั้นที่ไม่ต้องกลายพันธุ์อีกมันไม่เกี่ยวกับอัตาาตานัตตาอย่างนั้นหรอกมันไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องนะอัตตานัตตาเป็นเรื่องของสปปรรพสิ่งนะอันัตตาเนี่ยไม่ใช่ไม่มีตัวตนนะทีนี้หลายทั้งวิศาสตร์เขาไปหาว่าศาสนาพุทธเราปฏิเสธความมีอยู่ศาสนาพุทธไม่ได้ปฏิเสธ แต่ภาษาพุทธไปเจอสิ่งที่มีอยู่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายมันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองมันเป็นอนัตตาอนัตตาจึงเราไปเราไปพูดบอกว่ามันมั น, ม, นมันไม่มีตัวตนเห็ น, นเขาก็เาก็หาว่าเรานี่ประเสรความมีอยู่าศาสนาพุทธไม่ปฏิเสธนะอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเป็นสมายาเป็นสิ่งหลอกลวง อย่างเราเป็นมนุษย์เนี่ยเห็นหมจริงไหมต่เาเป็นมนุษย์จริงไหมเออทางสมมติปัญญาต์เขาว่าใช่เนี่นสิ่งที่นั่งเนี่ยเาเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าคนไงนะแล้วคนตรงนี้มันอยู่ได้ล้านปีได้ไหมไม่ได้เอาไปเผาไอ้ที่เรียกว่าคนมันหายไปไหนเห็นไหนี่แหละก็เรียกว่าอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอน คำว่าคนนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาปุ๊บ ก, ก็เป็นคนโดดๆเลยนะมันประกอบด้วยดินน้ําลมไฟแล้วก็วิญญาณธาตุมันไม่มีแต่หนึ่งอย่างมันเกิดขึ้นลอยๆนะ่อยมันผสมระหว่างสิ่งนี้สิ่งนี้นะทีนี้อา่าเป็นคนปุ๊บเป็นลูกฝาแฝดดีเเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันทำไมไอ้นี่ไอคสูงไอ้นี่ไอต่ำไอ้นี่ขี้แยไม่ขี้แยไอ้นี่แข็งแรงไม่แข็งแรงละ่ะและอะไรล่ะนอกจากดินน้ําลมไฟแล้วก็ วิญญาณธาตุแล้วนี่อะไรล่ะที่ทำให้มันไม่เหมือนกันจิตและจิตที่มันบันทึกโปรแกรมกรรมมาไม่เหมือนกันทำให้ใน d n เนเอนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ที่ทำให้เราไม่เหมือนกันนั่นหละคือกระแสะกรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่มีอะไรมากอยสัตว์สความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการ อันนี้คือพระ อ, องค์ไปเห็นส่วนมันก็แตกแขนงย่อยออกไปอย่างนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องรายละเอียดนะทีนี้พระ อ, องค์กวนกอจะไปตัดสู่เรื่องอายตสัจสี่นี่พระ อ, องค์ก็ไปเห็นที่ลําดับลำ ด, ด, ด, ดับดับเหมือนกันเริ่มจากวิชาแรกคือบุพเพนิวาสานุสติยานยานรู้ว่าด้วยการะลึกชาติไปเห็นที่มาที่ไปของมันไงอดีตเป็นบทเรียนเนี่ยทำให้เราเห็นอนาคต เราต้องเห็นว่าปัจจุบันทำไมเรามีดินอเอแบบนี้ทำไมต้องเกิดอยู่ในร่างแบบนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้ไงอดีตเป็นบทเรียนทำให้เราเห็นอนาคตนี่เป็นวิชาแรกที่ผู้เจ้าตัดสู้เห็นไหมพระองค์ไปในไปตรงนั้นไปเห็นของใหม่ๆนี้ได้ยังไงเพราะพระองค์ทำกับเรื่องเก่าๆไงไม่ไปวิ่งสแสวงหาที่ไหนละ่ะอยู่กับตัวเองเห็นหมมันก็เข้าถอยหลังก็ไปเห็น ที่มาที่ไปของปัจจุบันเมื่อเราเห็นอดีตแล้วเห็นปัจจุบันแล้วเราก็เห็นอนาคตปัจจุบันก็กลายเป็นอดีตของอนาคตนะเหตุเกิดผลก็เกิดนะและไอ้ผลตัวนี้ก็กลายเป็นเหตุทําให้เกิดผลใหม่มันไม่มีวันจบสิน้นใช่ไหมทางวิสันส่วนมากจะไปหาเหตุเพื่อหวังผล จำแนกแยกแยะหาเหตุเพื่อหวังผลยิ่งแยกก็ยิ่งเยอะยิ่งแยกก็ยิ่งสับสนแต่ศาสนาพุทธเราเนี่ยจำแนกแจกจ่ายตามเหตุเพื่อมรักผลยิ่งแจกก็ยิ่งเบายิ่งจ่ายก็ยิ่งว่างพูะเจ้าพูดถึงเรื่องอยายสตว์สีพูดถึงเรื่องผลก่อนทุกเอาผลมาขึ้นเลยนะเอาเอาผลนี่เป็นตั้งโจทย์ใช่ผลนี่ ทุกนี้คือผลนะแล้วพระองค์ก็เจาะลึกก็ไปเห็นเหตุแห่งทุกขก็คือตัวตัณหาตัวสมุทยัยเห็นหมล่ะทีนี้ไอตัวทุกนี่มันเป็นมันเป็นผลก็จริงแต่มันก็กลายเป็นเหตุนะสมมติว่าเราทุกโกรธมากทุกหน้ามืดตาหมัวเราก็ไปฆ่าเขา ไอ้ทุกนี้เป็นเหตุให้เราสร้างกรรมใหม่เอาเป็นว่ามันไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายมันเชื่อมโยงกันไปหมดสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดสิ่งนี้เอื้อสิ่งนี้สิ่งนี้เอื้อจึง น, งนี้เอาเป็นว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันมีเหตุของมันอยู่ไม่ใช่เรื่องพลังงานอย่างเดียวนะไม่ใช่ดินน้ำลมไฟแล้วก็วิญญาณาธาตุอย่างเดียวนะถ้าไม่มีวิญญาณความมีชีวิตเกิดขึ้นไม่ได้ แต่มันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นน่ะทำให้แต่ละคนมีอารมณ์ไม่เหมือนกันมีจิตไม่เหมือนกันเห็นไหมเหตุความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันมีโปรแกรมกรรมอยู่ในนั้นนะ่ะซ่อนอยู่นี่คือวิชาที่สองที่ผู้เจ้าไปตัดสูนะคือจตุปาตยานยานรู้ว่าในการเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมชัดเจน มนุษย์คนแรกเกิดมาจากยังไงเกิดมาจากกรรมเกิดมาจากการกายพันธ์กายพันธ์กรรมพันธ์พฤติกรรมมิรกรรมหมดเห็นไหมกายพันธ์กรรมพันธ์พฤติกรรมอันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดหลังเหมือนเราถามว่าไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่นั่นละ่ะมันไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลาย เราเกิดมาเขาบอกกรรมพันธ์พ่อแม่เป็นอย่างนี้เธอก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ลูกฝาแฝดเนี่ยแหละก็พ่อแม่เดียวกันทำไมมั น, ม, นมันก็กมันไม่มีมีบางอย่างมันไม่เหมือนกันมันเกิดจากกรรมพันธ์พ่อแม่กรรมพันธ์แต่ทีนี้มันเลยพ่อแม่ไปอีกก่อนที่จะเกิดมาอยู่ในท้องพ่อแม่เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรพอเราเกิดมาพ่อแม่คลอดเรามา แล้วก็มาสร้างกรรมใหม่พฤติกรรมเราไม่ดีเราก็ไปสร้างกรรมใหม่มันก็ใส่โปรแกรมกรรมใหม่กรรมเก่าบวกกรรมใหม่มันก็กลายพันธุ์ไปเป็นอย่างอื่นบางทีไม่ใช่ไปในระ่อ่างคนนะไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมทุกอย่างเกิดจากการกลายพันธุ์เอาเป็นว่ากลายพันธุ์กรรมพันธุ์พันธุกรรมหรือพฤติกรรมเนี่ยไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายมันเอื้อประโยชน์กัน มันก็เลยผู้เจ้าตัดไว้ตั้งนานแล้วว่าปฏิจสมุทรบาศเนี่ยสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดนะไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบือเบ้องปลายแต่คิดแบบวิทยศ า, าศาสตร์หรือภาษาเราพูดปุ๊บมันมีเบื้องต้นแล้วมันมีเบื้องปลายปฏิจสมุทบาศเนี่ยสมมติเราเริ่มต้นว่าอวิชาทําให้เกิดสังขารเห็นไหมสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดรูปนามไล่ไปเรื่อยๆมันมีเบื้องต้นแล้วและอะไรทำให้เกิดอวิชา ยังไะเขาอุตส่าห์โยงให้มันเชื่อมโยงกันเพื่อว่าให้รู้ว่าไม่มีเบื้องต้นแต่นี้ภาษามันทำได้แค่นั้นถ้าเราจะพยายามอธิบายปุ๊บเนี่เราจะไปขัดหลักการกับความเป็นจริงทันทีเลยมันมีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายระบบธรรมชาติไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายทีนี้ถ้าไปถามผู้พระเจ้าบอกว่ามันเป็นอจินไตมันเป็นเช่นนั้นเองของมันมันคือระบบ เรียกว่าสุริยะจักรวาลระบบอวากาศก็ได้มันเป็นมันเป็นระบบธรรมชาติระบบธรรมชาติก็คือว่าการเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันไม่มีเบือเบ้องต้นไม่มีเบื้องปลายเห็นไหมมนุษย์เราอาจจะกลายพันธุ์อนาคตเนี่ยถ้าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนอะไรก็ช่างมันอาจจะกลายพันธุ์เป็นอย่างอื่นมันอยู่ที่กรรมพฤติกรรมที่เราทา ตอนนี้เรากำลังกลายพันธุ์อยู่เห็นไหมแต่ว่าเราไม่เห็นนะตอนนี้เป็นมนุษย์เกมกดอ่ะไปไหนกูก็กดกดกดมนุษย์กําลังกายพันธุ์กลายพันธุ์จากเราร่วมสัรคกรรมไปสร้างไอ้สิ่งเหล่านี้มาเราเผลอเลอเราก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของมันเราก็ถูกเราก็ใส่โปรแกรมพวกนี้เข้าไปแล้วก็กลายเป็นสิ่งนั้นนี่แหละทุกอย่างเกิดจากการกายพันธุ์นะส่วนพันธุ ก, กรรมนั่น มันก็เกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่าที่เราสร้างมาจะให้เราเกิดมาในครอบครัวนี้อะไรเนี่ยมันมันมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยนะที่บอกว่ามันมีเหตุของมันอยู่เอาเป็นว่าเหตุเกิดผลก็เกิดไอ้ผลนี้ไม่ใช่ผลตายตัวนะไอ้ผลนี้จะกลายเป็นเหตุสร้างผลอย่างอื่นมันเป็นเหมือนมูกินหางละ่ะมันไม่มีวันจบสิน้น นี่คือเขาเรียกว่าวัถจักรนะวัถจักรถ้าเราเข้าใจเข้าถึงสิ่งนี้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรของเราสักอย่างหนึ่งเมื่อเราไม่มีแล้วเนี่ยของเราจะหายได้อย่างไรทุกวันนี้ของเราหายอย่าว่าแต่ของหายเลยแค่ไอตัวศักดิ์ศรีนี่ก็เอาจะตายอยู่แล้วกูเสียศักดิ์ศรีนะเสียศักดิ์ศรีเราหายศักดิ์ศรีเรามันหายไง แค่นี้ก็จะเอาเป็นเอาตายกันแล้วมันจะไปไหนล่ะมันก็ไปนรกสิเดีย๋ยวว่าแต่นรกนะเกิดมาเป็นคนอีกไส่วนที่เป็นบุญเกิดมาเป็นคนอีกก็มาเกิดมาวันแรกก็ตกนรกแล้วล่ะเห็นไหมคนสี่เหล่านั้นอ่ะสามเหล่านั้นก็คืออยู่ในทุกข์กติทั้งหมดแต่มันกั้นกองแล้วว่าเออเมื่อเป็นมนุษย์แล้วนี่ก็ถือว่าธรรมชาติกัน้นกอขนาดกั้นกองมาแล้วเนี่ย นะยังต้องมารับกรรมส่วนหนึ่งแล้วก็ไอ้ไอที่ว่าเกิดมามีโอกาสเดินทางต่อเนี่ยหนึ่งในสี่เท่านั้นนะพวกเราก็ถือว่าพวกควนโมทนาบุญนด้วยว่าทุกคนเนี่ยส่วนที่เป็นกุศลเราก็ามันเห็นชัดแล้วไงจะไปแกล้งทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าเห็นไหมล่ะไม่ใช่อยากทำก็ทำได้เมื่อมีโอกาสแล้วเนี่ยอย่าลังเลมุ่งมั่นเดินต่อไป ไอ้กิเลสเรากระแสะกรรมฝ่ายลบมันก็ทำหน้าที่มันอย่างซื่อสัตย์ไม่ต้องห่วงหรอกมันก็ทำของมันนะนะก็เรามีหน้าที่เรียนรู้กับเขารู้เท่าทัานเขามาเทกำลังให้ฝ่ายกุศลและจิตเนี่ยมากขึ้นเมื่อเรายอมรับแล้วว่าบุญบาปมันมีจริงเวลาที่เหลือหนึ่งนาทีเราก็สร้างบุญสร้างฝ่ายกุศลเนี่ยละชั่วใช่ทดี ขัดเกาจิตให้ผ่องใสแน่นอนเราต้องสู้กับกระแสกรรมในจิตเราเนี่ยมันก็มันก็ใส่โปรแก ร, รมทั้งฝ่ายลบฝ่ายบวกเหมือนกันนะฝ่ายลบมันก็ทําหน้าที่มันก็ให้มันทําเรามีหน้าที่เรียนรู้กับมันรู้เท่าทันมันแต่เราก็เทให้กําลังฝ่ายบวกนั่นแหละ ให้ฝ่ายกิเลสนะมันกลัวว่าเราจะเดินไปเราจะเห็นมันเนี่ยมันก็อ้างเฮ้ยเบื่อที่นี่ไปไปเที่ยวไปโน่นไปสแสวงหาวิธีนั้นวิธีนี้นะเราก็สนองกิเลสเราก็ไม่มีวันแตกฉานกับสิ่งที่เราทําแทนที่เราจะสร้างศรัทธากับสิ่งที่เราทําให้มันมากขึ้นนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินสิวะมากขึ้นมันก็ไม่มากสักทีหนึ่งเพราะกลายเป็นว่าเราคนหลายใจนะ กิเลสมันกลัวมากว่าเราตั้งมั่นนะเราจะเห็นมันแล้วมันจะหลอกเราไม่ได้พระพุทธเจ้าพูดล็อกไปหมดแล้วนะแต่ยุคนี้ถ้าไม่ระวังไม่ทําจริงๆแล้วเนี่ยพวกครูใช้คําว่าเราเสียเวลาชีวิตเสียเวลาชีวิตนะมีโอกาสแล้วเจอทางแล้วไม่รีบเดินทางให้กิเลสมันอ้างโน่นอ้างนี่ไปแสวงหานิพานนอกกาย ไม่มีทางไปนิพพานเนี่ยมันต้องอาศัยเครื่องมือเนี่ยกายเวทนาจิตทำไม่ใช่ไปหาข้างนอกไม่มีวิชาวิเศษที่ไหนหรอกสอนให้ทุกคนพุ๊บไปนิพพานหมดอ่ะไม่มีต้องทำเองนะต้องทำเองต้องอยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมเรานี้แหละนะผู้รู้เขาก็เอาประสบการณ์เขาบอกเราเฉย แต่ถ้าเราอันนี้รู้แล้วรู้แล้วเออรู้แล้วจะกกไปรู้ที่อื่นรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไปวิ่งหาความรู้อย่างไงแล้วไปอวดรู้กันเพื่อสนองกิเลสนะเพื่ออวดความรู้คนอื่นให้เขาศรัทธาเราเราจะได้อามิต จ, จากเขานั่นอันนั้นนเตรียมตัวตกนรกได้ทันทีความโลภทั้งนั้นแหละเห็นไหมโลภโทสะโมหะทั้งนั้นแหละนะทุกคนมีแต่อย่าไปสนองมัน ทีนี้ถ้าเราไม่ตั้งมั่นไม่ศรัทธากับสิ่งที่เราดาเนินอยู่เนี่ยใครจะสู้มันได้ไม่มีทางเราสร้างกรรมมาหลายชาติเหมือนกันเราก็สร้างกุศลมาเยอะเหมือนกันไม่งั้นมันมานั่งอยู่ที่นี่ต้องเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยมีทั้งสองด้านเรามีหน้าที่มาสร้างด้านบวกอย่าไปหาเหตุผลว่าทำไมทำไมไม่มีเหตุผล หลงป่าต้องเดินออกจากป่าไม่ใช่ไปเรียนรู้น้นรู้นี่ไปเรียนมแมลงไปเดียงดอกไม้ไปเรียนน้ําตกไปเรียนน้นอย่างนี้แล้วไปอวดว่าฉันรู้หมดเลยไงอันนี้เขาเรียกว่าคนรู้มากไม่รู้จริงไม่รู้จริงสักอย่างหนึ่งน้ําครึ่งถังหมดเห็นไหมไม่มีกําลังที่หลวงปู่ดุลท่านพูดชัดเจนเลย ว, ว่าเอ อ, อการที่ไปหลายๆสํานักเนี่ยเหมือนนับหนึ่งใหม่หมดถูกแล้ว น้ำนี้ก็ครึ่งถังนี่ก็ครึ่งถังครึ่งถังโอ้ยูหมดเลยแต่ไม่รู้จริงสักอย่างหนึ่งนั่นแหละสแสวงหาสิ่งใหม่ๆแล้วก็จะเจอจัดสิ่งเก่าๆทําตามสิ่งเก่าๆทานตามกิเลสเก่าๆไอ้ความทยานอยากรู้ของเราเนะี่ยมันก็ไม่ไปไหนหรอกพังเพลอมามันก็ไปเที่ยวนรกนั่นแหละเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกความเราโมบเราไม่ได้หลอกโมหะเราไม่ได้นะพอไม่ได้ดังใจก็ เกิดโทษะนี่ก็เราขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รู้รู้ระดับไหนก็ช่างเราเห็นทางแล้วเรามีหน้าที่เดินทางไม่ใช่ไปแสวงหาทางเจอแล้วจิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธทำให้มันแจ่มแจ้งสิ ไม่ใช่เดินไปครึ่งหนึ่งอุย้ยเมื่อกี้ลาดยางมาดีๆตอนที่กลายเป็นลูกหลังแล้วเออลูกหลังยังวิ่งได้อุย้ยตายเนี่ยไปถนนเกรียนละฉันไม่กล้าไปอีกแล้วไปวิ่งทางอื่นดีกว่านะสแสวงหานั่นเป็นยังผู้สแสวงหาอยู่ผู้ลังเลสงสัยอยู่นะมันก็ไม่มีวันศรัทธาตั้งมั่นกับสิ่งที่ตัวเองทำหลอกๆแหลกๆนะมันจะสมบูรได้อย่างไรไม่มีทาง ตั้งมั่นติดลมก็พยายามมาขึ้นลมให้ได้เดินต่อไปนั่นแหละคือคำว่าศรัทธาตั้งมั่นมีวิริยะมีขันติตอนนี้ถ้ามันไม่ศรัทธาตั้งมั่นส่วนมากขันแตกบทไม่ใช่ขันติขันแตกหมดอ้างโน้อนอ้างนี่นะก็ พวกครูก็เคยหลายปีก่อนเคยไปร่วมครูบาอาจารย์นะไปถวายความรู้พระภิกษุสงฆ์ที่เขาจัดปริวาสอะไรมันเปเห็นแล้วมันไปมันเหมือนมีประโยชน์นะแต่เป็นโทษมากมายเหมือนทุกตัวอย่างอย่างนี้นะถ้าวันนี้นักวิยทยาศาสตร์เก่งมากเขาสร้างผลิตยาเนี่ยกินปุ๊บโรคเอดหายเลยอย่างนี้นะคนมันยั่งมีกลัวเอดนะ ไอปฏิวัติเออบางทีเราเข้าประจำมัรษาเนเราเราไปทําอะไรผิดแล้วเนี่ยเราก็ไปล้างบาปได้อย่างนี้นะ mm hmm. พวว่อครูเอ้ยมันง่ายขนาดนั้นเหรอนะเราก็คิดว่าเอ้ยมันล้างได้ไม่ต้องกลัวเราก็ไม่สํารวมระวังไนงะไอพรรษาที่ว่ามุ่งมั่นปฏิบัติเบลเป็นเพียงก็กลายเป็นว่าเราหลอกหลอกแหลกไม่เป็นไรไงผิดแล้วเรายังมีทางไปแก้แ ก, แก้บาปอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนดีนะแต่พ่อครูคิดว่าพวกครูพ่อครูก็ไปช่วยอยู่สามปีก็ไปเห็นแล้วว่า มันเป็นปลายเหตุต้นเหตุคือเราไม่ตั้งมั่นศรัทธาในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำถ้าเราสำรวมระวังทีแรกอย่าไปทำผิดเราจงไปเราไม่ทำบาปไปล้างบาปทำไมไม่ต้องนะมันกลายเป็นว่ามันมีเหมือนเครื่องมือมาช่วยให้ทุกคนไม่มุ่งมัน่นเรื่องนี้ต้องพิจารณาดีๆนะแต่ไม่เพราะกูไม่ได้สรุปว่า มันถูกมันผิดมันดีมันชั่วอย่างไรแต่คุยให้ฟังบางมันเป็นมันเป็นอุบายอย่างหนึ่งนะเหมือนบางศาสนาเนี่ยเขาทำผิดปุ๊บวันอาทิตย์เขาก็เข้าไปบวชวิหารไปสารภาพบาปอะไรนี่นะเขาก็ได้แค่สบายใจแต่คิดว่ากรรมมันหมดเหรอไม่มันง่ายไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะกรรมมันก็ยังอยู่ไงเพียงแต่มันสบายใจเฉย ถ้าอย่างนั้นมันง่ายขนาดนั้นนะทุกคนก็ฆ่าคนแล้วก็ไปล้างบาปมันก็ง่ายๆมันไม่ใช่ที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราเข้าไปในจิตเนี่ยเราไปจ่ายหนี้กรรมทางจิตไม่ใช่มันสบายนะทุกทรมานแสนสาหัสเลยละ่ะเราจ่ายหนี้กรรมด้วยความทุกข์จริงๆแล้วก็อยังห่วงหนี้กรรมจ่ายไม่หมดไปรอจ่ายหมดเนี่ยบางคนเจ้ากรรมในเวรนะไปทําบุญ เลือกให้เจ้ากรรมในเวรของเรานะไปปวดรหัสกรรมบอกคนนั้นคนนี้บอกคุณตายแล้วหลายชาติคุณก็ปวดไม่หมดเจ้ากรรมในเวรเราเนียังไม่เกิดมาอีกทั้งหลายคนนะเป็นเทวดาอยู่ก็มีเปรตอสุรกายก็มีไม่ใช่ไปล้างอย่างนั้นนะล้างที่ตัวเองเห่นนี้ออกจากวัฏฏะสงสารเนี่ยใช่ไหมเจ้ามัวจะไปจ่ายองค์คุริมานถ้าไปจ่ายหนี้เก้าเก้าเก้าเนี่ยมันจะไปทันหรือเปล่า ต้องอีก99้ชาตินะเนี่ยเรามาจ่ายหนี้ทางจิตเรามาเสริมฝ่ายกุศลเราเนี่ยนะให้มันมากกว่าฝ่ายอกุศลนะแล้วก็ทําลายอัตตาตัวเองเนี่ยนั่นแะหละเป็นเป็นการไถ่าบาปที่ผู้เจ้าบอกเป็นการไถ่าบาปที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นหลงงมงายไปทําอะไรที่ให้เขาหลอกใช้อุบายทําให้สบายใจเฉยเฉยปล่อยนกปล่อยกา มันเหมือนได้เหมือนแล้วลักษณะอีกอย่างหนึ่งเหมือนเสียแล้วเหมือนส่งเสริมไม่เขาไปจับมันมาขายอีกอย่างเงี้นะเขาแค่คุณอย่าไปฆ่ามันก็พอแล้วใช่ไหมล่ะคุณอย่าไปทําลายป่าบ้านมั้นของอยู่ก็ก็พอแล้วอะเนียอันนี้เหมือนเหมือนทําแล้วค่อยมาแก้ทําลายวัฒนธรรมเสร็จแล้วค่อยมารักษาวัฒนธรรมอย่างนี้นะนี่คือมนุษย์เราเป็นแบบนี้เราขึ้นชื่อว่าผู้รู้แล้วอย่าทําแบบนั้นเรามาแก้ที่ต้นเหตุของมันนะ ต้นเหตุมันอยู่ข้างในจิตเรานั่นแหละนิพายนันไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกมันอยู่ข้างในก่อนที่จะเข้าถึงข้างในผู้เจ้าก็บอกแล้วเรามีเครื่องมือเต็มเปี่ยมคือกายเวทนาจิตธรรมอันนี้เป็นสแสวงหานิพานอยู่ข้างนอกนะก็พวกครูบอกขึ้นโลกขึ้นจักรวาลมันแรงขึ้นมันเร็วขึ้น 3โลกธาตุสามมิตินี่มันทะลวงทะลุกันหมดแล้วมันไม่มีเวลาแล้วนะไม่รู้จะไปรออะไรมันเปลี่ยนจริงๆนะมันแรงมากทุกวันนี้อย่าโอ้อ่อก็หยุดแค่นี้ดีกว่าน้อจะได้ปฏิบัติกันสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณภะษีรัตนาไต